ศาสนาพุทธสอนให้ชาวพุทธรักษาศีลกันศีลก็มีหลายหลายชนิดด้วยกันตามกำลังของผู้ที่จะรักษาได้เริ่มตอนที่ศีลห้าสำหรับคารวะผู้คองเรือน แล้วก็สินแปดสำหรับผู้ที่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมที่จะภาวนาสินแปดสินสองร้อยยีสิบเจ็ดสำหรับผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุแลวสินสามร้อยกว่า สำหรับผู้ที่บวชเป็นภิกษุณีแต่สมัยนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วไม่มีการบวชแล้วก็เหล้วแต่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบ ส, ส, สำหรับสมเนนศีลสองร้อยยสิบเจ็สำหรับพ้าภิกษุแต่มีศิลอยู่อีกศีลหนึ่งที่เราไม่เคยได้ยินกัน คืศีลหนึ่งมีศีลหนึ่งด้วยแต่เป็นศีลหนึ่งนี่เป็นศีลอะไรศีลหนึ่งก็คือศีลใจรักษาใจรักษาใจดวงเดียวถ้ารักษาใจได้ก็จะไม่ละเมิดศีลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองอยีิบเจ็ด ในยุคแรกแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนยุคนั้นมีแต่ผู้ที่ถือศีลหนึ่งคือเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นผู้ที่ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้า พระอุตตมาก็ส่องตานว่าเอหิภิกขุจงมาเป็นพระภิกษุเถิดะแล้วก็ถือว่าเป็นพระแล้วโดยที่ไม่ต้องให้ศีลไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้เวลาบวชเนี่ต้องขอศีลศีล ส, สิบก่อนต้องบวชเป็นสัมมาเนยก่อนเมื่อบวชเป็นสัมมเนยแล้วก็ขอศีลสองร้อยยีบเจ็ด บวเป็นพระแต่สมัยพุทธกาลนี้การบวชโดยพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องให้ศีลไม่ต้องขอศีลเพราะผู้ที่ขอบวชนั้นเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วคือใจที่บริสุทธิ์ใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาจึงไม่ทำอะไรให้เกิดความเสียหาย ให้แก่ผู้อื่นนี่แหละคือศีลแท้ศีลศีลดั้งเดิมก็ศีลศีลหนึ่งการรักษาใจได้การกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสินไปได้ก็จะมีใจที่สงบตลอดเวลา ใจที่สงบนี้จะไม่ไปกระทำอะไรให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นณตนเองนี่แหละคือศีลหนึ่งที่เราไม่ค่อยรู้จักกันไม่ค่อยได้ยินกันถ้าเรารักษาใจได้เราก็จะไม่ดะเมิดศีลข้อต่างๆ ที่เราไปละเมิดกันก็เพราะว่าเราควบคุมใจไม่ได้ควบคุมความอยากไม่ได้บางคนอยากดื่มสุราก็ไม่สามารถรักษาสินข้อสุราได้บางคนอยากพูดปดก็ไม่สามารถรักษาสินข้อมไม่ให้พูดปดได้บางคนอยากประพฤติผิดประเวณีก็ไม่สามารถที่จะ รักษาศีลก็ละเว้นจากการประพฤติผิดปอปเวณีไม่ได้บางคนอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นก็ละเว้นจากการลักทรัพย์ไม่ได้บางคนอยากฆ่าผู้อื่นก็รัก็รักษาศีลศข้อข้อที่หนึ่งไม่ได้นี่เป็นเพราะว่าจิตใจไม่สามารถ จะควบคุมจิตใจของตนเองได้ไม่สามารถควบคุมกิเลสตัณหาของตนได้จิตใจเลยต้องไปทำบาปข้อต่างๆยุคแรกๆของพระพุทธศาสนาพระที่มาบวชเป็นพาาระอรหันต์ถือศีลข้อเดียวคือใจใจที่ไม่มีกิเลสตัณหา ก็จะไม่ไปทำอะไรเสียหายแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มีถึง227ข้อเพราะว่าผู้ที่มาบวชที่หลังหลังจากยุคแรกๆนี้เป็นผู้ที่ยังไม่เป็นพระอาหารหันต์กันเป็นผู้ที่ยังไม่สามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ในความสงบได้ยัง ถูกอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากความโกรธบังคับยุยงให้ไปทำอะไรที่เกิดความเสียหายแก่ผู้นแ้ะตนเองยังมีการบัญญัติตั้งข้อห้ามต่างๆยุกแรกๆไม่มีศีลสองรอยีสิบเจ็มีศีลมีศีลหนึ่ง คือผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์น่ท่านรักษาใจท่านได้ตลอดเวลาควบคุมใจได้ตลอดเวลาไม่ให้เกิดความโลภเกิดความอยากเมื่อไม่มีความโลภไม่มีความอยากก็ไม่มีการจะทำอะไรที่จะไปทำให้ผู้อื่นเสียหายแต่ต่อมาพวกที่มาบวชภายหลังนี้ เป็นพวกที่ยังควบคุมความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ควบคุมความอยากต่างๆไม่ได้ก็เลยไปทำอะไรต่างๆเสียหายผู้ที่เดือดร้อนก็มารายงานมาฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทราบข่าวว่าพระภิกษุไปทำมิดีมิชอบก็เลยต้องตั้งข้อห้ามขึ้นมา ไม่ได้ตั้งทีเดียวพร้อมกันสองรอยิบเจ็ดข้อตั้งไปทีละข้อสองข้อแล้วแต่เหตุการณ์มีเหตุให้ตั้งก็ตั้งอพอมีใครมาฟ้องเหมือนเป็นสารเป็นผู้ผู้พิพากษาพอมีคนมาฟ้องผู้ผพิพากษามาฟ้องเป่าบุญจินเป่าบุญจินก็ต้องตัดสินคดีทำอย่างนีง้ผิด พระรูปนี้ทําอย่างนี้ผิดไปนอนกับศีกาผิดไปฆ่าผู้อื่นผิดไปรักทรัพย์ของผู้อื่นผิดไปอวดอุตริคุณธรรมมันวิเศษที่ไม่มีในตนอวดว่าเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกิดาคามีบ้างเป็นพระอนาคามีบ้างเป็นพระอรหันต์บ้าง ได้ฌานสมาบัติบ้างได้รูปฌปานบ้างได้อรูปฌปานบ้างโดยที่ไม่มีในตัเองนี่ก็ผิดมีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าออพระพุทธเจ้าทราบก็เลยต้องสั่งห้ามห้ามภาะอวดอุตริอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวเอง สำหรับญาติโยมก็หาก้ามมูสาไม่ให้พูดปด่นเหมือนกันเนี่ยสใหญ่ๆของพระมีสี่ข้อเหมือนกับศิญใหญ่ๆของญาติโยมมีห้าข้ อ, อเหมือนกันสิญห้าข้อที่หนึ่งไม่ให้ฆ่าสัตว์รักษรแม้ฆ่าสัตว์ศิลของพระก็ไม่ให้ฆ่ามนุษย์ถ้าฆ่าปวกฆ่าบรรลงนี้ยังไม่ถึงกับ ผิดหลายแรงไม่ถึงก็ต้องจับศึกแต่ถ้าฆ่ามนุษย์นี้จับศึกศีลของพระที่ต้องถูกจับศึกนี่มีอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งก็ฆ่ามนุษย์ข้อที่สองลักทรัพย์ข้อที่ส ก, ก็ไปนอนหลับนอนกับศีกกาไปเสพสังวาลไปร่วมเพศกับศีกกา ข้อที่สี่ก็อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเหมือนของเหมือนสินสีของของญาติโยมแต่สีลข้อที่ห้าดื่มโซลานี่ถ้าพระทุกดื่มโซรานี่ไม่ถึงกับต้องจับศึกไม่ถือว่าโทษร้ายแรงเท่ากับโทษทั้งสี่ข้อนี่ก็เป็นสีลเป็น เป็นเป็นข้อห้ามสำหรับพระที่ร้ายแรงมีอยู่สี่ข้อเรียกว่าปาราชิกถ้าทำแล้วก็จะขาดจากความเป็นพระทันทีถึงแม้ผู้อื่นจะไม่รู้ก็ตามแต่ผู้ที่กระทารู้อยู่แก่ใจว่าตนเองไม่ได้เป็นพระแล้วถ้าอยู่ในผ้าเหลืองก็ถือว่าเป็นพ้าปลอม น่าต่อมาก็มีคนมาฟอ้องอเมื่อห้ามไม่ให้เสพไม่ให้เสพร่วมหลับนอนกับศีกาก็เลยไปเกี่ยวพาลาสีไปคุยจา่าไปเกี่ยวพาลาสีไปชักชวนให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ออันนี้ก็ก็มีคนมาฟ้องก็ต้องตัง้ตงข้อห้ามอ ทีก็ไปนั่งอยู่ที่รับตาหูรับตากับสีกาคนเห็นก็สงสัยว่าทำอะไรกันอยู่ถึงแม้จะไม่ได้ทำก็ห้ามห้ามอยู่ตามลำพังกับสีกาสองต่อสองในที่รับหูรับตาอันนี้คือข้อห้ามต่างๆที่เกิดจากการประพฤติของพระภิกษุที่มาบวช แต่จิตใจยังไม่ได้รับการชำระกิเลสตันหาให้หมดไปจากใจยังรักษาศีลหนึ่งไม่ได้ก็เลยมีศีลข้อต่างๆโผล่ขึ้นมามีถึง227ข้อถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถึงวันนี้อาจจะมีเป็นพันข้อก็ได้ พระมีโยมฟ้องอยู่เรื่อยแต่ไม่มีใครมาตั้งตั้งกฎตั้งศีลขึ้นมาใหม่ได้เพราะไม่มีบารมีเหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถึงวันนี้น่าจะมีศีาลอะไรเยอะแยะไปหมดห้ามพร ะ, ะทำอะไรที่ญาติโยมเห็นว่าไม่เหมาะสม ห้ามภาไปเดินตามสวนการค้าห้ามพะถ่ายรูปเป็นตากล้องห้ามพระใช้แว่นตารู้แล้วห้ามพระใช้กระเป๋าลุยวิตรงมีเยอะแยะไปหมดก็ห้ามห้ามพระมี ห้ามพระซื้อรถเก๋งครอบครองรถเก๋งเป็นสมบัติของตนห้ามพระสะสมรถโบราณ <c oughs> อ้ยบีเยอะแยะไปหมดมถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถึงวันนี้ศีลมันไม่รู้จะ ก, กี่พันข้อนะนี่แหละคือ เรื่องของผู้ที่มาบวชถ้าไม่สามารถควบคุมใจของตนเองได้แล้วก็จะไม่สามารถควบคุมการกระทาทางกายทางวาจาได้นั่นเองเพราะผู้ที่สั่งให้ไปพูดไปทานี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือใจนี่ยท่านถึงเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบา่าวใจเป็นใหญ่ ใจเป็นตัวการถ้าควบคุมใจได้แล้วก็ควบคุมกายควบคุมวาจาได้แต่ถ้าควบคุมใจไม่ได้ก็จะไม่สามารถไปควบคุมกายควบคุมวาจาได้เลยต้องถึงแม้ว่าจะถือศีลห้าถือศีลแปดบางทีก็ยังขาดไปเรื่อยๆ เ ถ, ถือไปได้เดี๋ยวเผลอแป๊บหนึ่งพูดโกหกแล้วเดี๋ยวเผลอเพ้ดแป๊บหนึ่งพูดเพอ้อเจ้อแล้วเดี๋ยวเผลอแป๊บหนึ่งไปหยิบของคนอื่นมาแล้วออันนี้เป็นเพราะว่าให้ยังไม่สามารถควบคุมใจผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆได้เอ แต่ก็ต้องทำจากน้อยไปหามากก่อนเพราะสติที่จะควบคุมใจของผู้ปฏิบัตินี้เวลดาเริ่มต้นนี้มีน้อยเริ่มต้นมีน้อยก็เลยควบคุมห้ามจิตห้ามใจได้ได้น้อยได้ห้าข้อนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วเนี่ยชาวพุทธของที่นับถือาศาสนาพุทธเนี่ย นับถือศีลห้ารักษาศีลห้ากันได้ครบหรือไม่ที่เรียกว่าตอนเองเป็นพุทธเนี่ยถ้าจะเป็นพุทธนี่ต้องอย่างน้อยต้องรักษาศีลห้าให้ได้แต่อยเรียกว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็ต้องละเว้นอบายามุขให้ไดน้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเริ่มต้นปฏิบัติกัน ก็ให้เริ่มต้นที่การละเว้นอบายามุกต่างๆอบายามุกนี่ก็มีอะไรบ้างดื่มสุรานี่ก็เป็นอบายามุกอย่างเล่นการพนันเนี่ยเมืองพุทธเนี่ยมีลอตเตอรี่มีการแทงหวยมีบ่อนมีอะไรเต็มไปหมดมีบามีผับละเว้นจากการดื่มสุราละเว้นจากการเที่ยวกลางคืน เที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆอเที่ยวตามบาตามผับเพราะจะนําไปสู่การทําผิดศีลประพฤติผิดประเวณีกันเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวกลางวันก็ไม่ควรเที่ยวเสียเวลาเสียเงินเสียทองอถ้าเป็นนักเรียนเดี๋ยวหนีโรงเรียนไปเที่ยวกลางวันงัน ถ้าเป็นคนทำงานบางทีก็หนีงานาไปเที่ยวกลางวันกันอันนี้ก็จะทำให้ เ, เสียเสียงานเสียการถ้าเที่ยวบ่อยๆเดี๋ยวก็ตกงานาถ้าไม่ไปทำงานบ่อยๆเดี๋ยวก็ต้องถูกบริษัทเขาไล่ออกจากงานนายจ้างไล่ออกจากงาน เป็นโทษเป็นการกระทําที่ไม่เกิดประโยชน์มีแต่มีแต่ความเสียหายเสียเวลาเสียเสียทรัพย์เสียข้าวของเงินทองแล้วจะนำไปสู่การทำบาปต่อไปพอไม่หาไม่มีไรายได้มีแต่รายจ่ายจากการเสพอ บ, บายามุขพอเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาป ไปโกหกหลอกลวงไปช่อโกงไปรัดทรัพย์ไปป้นไปชี้ไปขอลับชั่นนี่แหละปัญหาคือเกิดจากการไปเสพอบายามุกกันลองค้นดูดูลองศึกษาดูคนที่ทำบาปมันส่วนใหญ่นี่ ทำบาปเพราะไปเสพอบายยมุกกันเมื่อเสพบายยมุกก็จะมีแต่เสียเงินไม่มีรายได้เมื่อไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายก็ต้องไปหารายได้โดยวิธีทำบาปแล้วไปทำบาปแล้วไปอาจจะไปฆ่าผู้อื่นต่อ เชนไปป้นไปที้ร้านทองร้านเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวเกิดเจ้าของร้านเขามีปืนต่อสู้กัน เ, เดี๋ยวก็ต้องยิงกันตาย อ, าอันนี้คือชาวพุทธเราถ้าอยากจะถือว่าเป็นพุทธแท้นะี่ยต้องอย่างน้อยต้องละอาบายามุกให้ได้สองต้องรักษาศีลห้าให้ได้ถึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธแท้ เพราะว่าการเป็นชาวพุทธนี่ก็เป็นเหมือนกับการมาซื้อประกันภัยนั่นเองอเวลาเราไปซื้อประกันภัยบริษัทประกันภัยเขาจะรับประกันก็ต่อเมื่อเราจ่ายเบี้ยประกันถ้าเราไม่จ่ายเบี้ยประกันเดี๋ยวเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเขาก็ไม่จ่ายเบี้ยเขาก็จะไม่จ่ายค่าประกันให้เรา พราเราไม่จ่ายเบี้ยประกันให้เขาก่อนศาสนาพุทธของเราก็เป็นเหมือนกับบริษัทประกันภัยเนี่ยดีๆนี่เองรับประกันอะไรรับปรกันประกันภัยของจิตใจ อ, อะไรเป็นภัยกิจิตใจก็คืออบายนี่เอง อ, อบายคืออะไรการทำให้จิตใจต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต เป็นอสุรกายไปตกนรกนี่ศาสนาพุทธนี่รับประกันถ้ามาซื้อประกันภัยจากบริษพุทธศาสนาผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันจะรับรองจะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเจอภัยเหล่านี้รับประกันตายไปไม่ไปเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นอสุรกายไม่ไปเป็น ส, สนนัตว์นรก ถ้าจ่ายเบีย้ยประกันเบีย้ยประกันก็คือละเว้นอบายามุก อ, อบายามุกนี่บางทีท่านก็แสดงไว้ห้าบางทีท่านก็แสดงไว้หกหกก็มีหนึ่งละเว้นการดื่มชวรายาเมาสองเล่นการพนันสามเที่ยวกลางคืนสี่เที่ยวกลางวันเที่ยวดูของน่เล่นต่างๆ เที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆห้าคบคนชอบเที่ยวชอบคนคบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรหกมีความเกียดค้านนี่ถือว่าเป็นอบายามุขเพราะมีแต่มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับนั่นเองเมื่อมีแต่จ่ายไม่มีรับเดี๋ยวก็ต้องไปรับโดยวิธีทำบาป ไปรักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงไปประพฤติผิดประเวณีไปฆ่าผู้อื่นถ้ามาละเว้นอบายามุกได้ก็จะรักษาศีลได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ละอบายามุกผู้ที่เสพอบายามุกนี้จะถูกความกดดันความต้องให้ไปทำบาป ก, กัน แต่ถ้าไม่เสพอบ า, บายามุคนี่จะไม่มีอะไรกดดันมากนอกจากเวลาลูกแก่โทสะลูกแก่ความโลภซึ่งก็ยังสามารถทาให้ไปทำบาปได้เช่นเวลาเห็นอะไรโลภอยากได้มากๆขึ้นมาควบคุมความโลภไม่ได้ก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่ยอยากได้มา นี่คือบริษัทประกันภัยรับประกันตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นนสุลกายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานถ้าละเว้นอบา ย, ยมุกและละเว้นการกระทําบาปได้นี่คือประกันภัย นอกจากประกันภัยแล้วยังเป็นบริษัทประกันชีวิตด้วยพุทธศาสนานี่ประกันชีวิตด้วยประกันไม่ให้ตายพวกเราทุกคนเกิดมาเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันถ้าซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาชาติน้าจะไม่ไม่ตายชาตินี้ประกันไม่ได้มันสายไปแล้วถ้าเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตาย แต่ถ้าหน้าศาสนาพูดจะรับประกันว่าจะไม่ไม่จะไม่ตายอีกต่อไปทำยังไงถึงไม่ให้ตายต่อไปก็ไม่ให้มาเกิดนั่นเองเมื่อไม่มาเกิดก็จะไม่มีวันตายเราจะทำยงไงถึงไม่มาเกิดก็ไปกำจัดเหตุที่พายมาเกิดเท่านั้นเองที่พวกเราไม่รู้กันว่าคืออะไร เหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดกันก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี่เองกามตัณหาก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภพะเมื่อมเมื่ออยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภพะก็ต้องมีตาหูจมูกเน้นกายถ้าไม่มีตาหูจมูกเน้นกายก็เสพไม่ได้ พอร่างกายนี้ตายไปก็จะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายยังมีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลิภัพฑ์อยู่ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่นไปเกิดใหม่เหมือนกับไปซื้อรถคันใหม่ถ้าเรายัางต้องเดินทางไปไหนมาไหนโดยรถยนต์พอรถยนต์คันเก่ามันพังไป เราก็ต้องไปซื้อรถยนต์คันใหม่เพราะเรายังต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่แต่ถ้าเราหยุดความจำเป็นหยุดเหตุที่จะทำให้เราต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่เราไม่ต้องไปไหนมาไหนอยู่บ้านเฉยๆเราก็ไม่ต้องมีรถยนต์ก็ได้ yeah. Yeah. ถ้าเรายังมีความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลภัฑ์อยู่เราก็ต้องมีตาหูจมูกเล้นกาย ก็ต้องมีร่างกายแต่ถ้าเรามากำจัดกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้พอไม่มีร่างกายก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมานี่ก็คือประกันชีวิตของพุทธศาสนานับประกันว่าพวกเราต่อไป จะไม่มีวันตายอีกต่อไปจะตายเป็นครั้งสุดท้ายคือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะตายต่อจากนั้นไปจะไม่มีคำว่าตายอีกต่อไปถ้าจ่ายเบีย้ยประกัน เ, ออเบีย้ยประกันของการประกันชีวิตนี่ก็คื อ, อ, อการถือศีลของนักบนญเออสียศีลห้าของนักบุญนี่ก็ประกันภยัย ไม่ไปเกิดแต่ถ้าอยากจะไม่มาเกิดนี่จะต้องถือศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองรอยยีิบเจ็ดเนะทํทำไมต้องถือศีลเหล่านี้เพื่อที่จะได้เอาจะได้มีเวลามาภาวนานั่นเองมาหยุดความอยากต่างๆการถือศีลนี้เป็นส่วนประกอบผู้สนับสนุนการภาวนา ผู้ที่จะมาหยุดความอยากต่างๆนี่ต้องหยุดด้วยการภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาศีลไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้เห็นไหมแหกศีลกันอยู่ด้วยเห็นไหมถือศีลมาอยู่วัดถือศีลแปดได้สามวันห้าวันก็ขอกลับบ้านแล้วะแสดงว่าไม่รักษาศีนลนะรักษาไม่ได้ลนะ อยากจะไปทำอะไรทางตาหูจมูกเล้นกายแหละอยากจะไปกินให้เต็มที่ถือสีแปะนี่กินได้แค่เที่ยงวันพอกลับบ้านไปถือสีห้าเอาว่ากินได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนก่อนนอนและระหว่างนอนก่อนนอนก็กินตื่นขึ้นมากลางคืนเดึกๆ ก, ก็ยังไปเปิดตู้หาอะไรกิน กินได้ตลอดเวลาถ้าถือศีลห้าถ้าถือศีลแปด น, นี่ถ้าหิวก็ต้องไปนั่งสมาธิแทนจะได้หายหิวถ้าไม่นั่งสมาธิเดี๋ยวก็ทนนักษาศีลแปดไม่ได้อันนี้ศีลแปดจะมีไว้สำหรับบังคับให้เรามาแก้ความอยากต่างๆด้วยการภาวนาด้วยการนั่งสมาธิด้วยการใช้ปัญญา แต่ถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราจะไม่มีไม่มีอะไรมาบังคับให้เรามาภาวนาเพราะเราจะแก้ปัญหาด้วยการทำตามความอยา ก, กนั่นเพราะศีลห้าไม่ห้ามทำตามความอยากทำได้ตามได้ที่ไม่ไปทำผิดศีลข้อหนึ่งถึงถึงห้าก็ทำได้ อยากจะกินอาหารกี่โมงกี่เวลากี่ครั้งก็กินได้อยากจะนอนหลับนอนก็นอนหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่ถ้าถือศีลแปดนี่นอนไม่ได้ถ้าเหงาก็ต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิแทนเพราะว่าเวลาใจสงบเราจะหายเหงาจะจะไม่รู้สึกว้าเหว่ที่รู้สึกว้าเหว่เพราะความอยาก อย่างมีคนมาร่วมหลับนอนด้วยพอไม่มีก็เลยรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวแต่ทอมานั่งสมาธิหยุดความอยากได้หยุดความอยากร่วมหลับนอนกับคนอื่นได้ความรู้สึกเหงาว่าเวก็จะหายไปอย่างนี้คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรง สอนให้ถือศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองรอยิบเจ็ดกันเพื่อที่จะได้ไม่ไปแก้ปัญหาด้วยการทําตามความอยากต้องแก้ปัญหาด้วยการหยุดความอยากด้วยการไม่ทําตามความอยากการจะไม่ทําตามความอยากได้ก็ต้องทําใจให้สงบเท่านั้นเองก็คือต้องนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิก็สามารถทําใจให้สงบได้เป็น ระยะระยะเป็นพักๆเวลาออกจากสมาธิมาก็จะไม่สามารถยับยั้งความอยากได้ถ้าอยากจะยับยั้งความอยากเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาเช่นเวลาอยากจะหลับนอนกับใครก็ให้คิดถึงอสุภะของคนที่เราอยากหลับนอนด้วยคิดถึงตอนที่เขาเป็นซากศพ คิดถึงตอนที่เขาตื่นนอนใหม่ๆคีตาเต็มหน้าผมเผ้าลุงลังไม่มีเครื่องสำาองสำอางอะไรมาแต่งหน้าทาปากหรือดูตอนที่เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยดูที่เวลาเขาแก่ดูที่เขาเกจนน้ำหนักเกิน เวลากินอาหารกินอาหารมากๆน้ําหนักเกินก็กลายเป็นตุ่มขึ้นมาเด้นดูตอนที่เขาตายาขึ้นอืดพองขึ้นม า, ามีเขียวช้ำดำฟกช้ำดำเขียวมีน้ำอะไรต่างๆไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นแล้วดูเข้าไปข้างในใต้ผิวหนัง ดูอาการต่างๆเช่นโครงกระดูกก็โลกศีรษะปอดหัวใจตับลำไส้สมองนี่คือการดูร่างกายที่จะทำให้ระงับความอยากหลับนอนกับผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ ถ้าเห็นร่างกายเป็นอสุภะตลอดเวลาแล้วก็จะสามารถคุมความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้เพราะจะเห็นว่าร่างกายของผู้อื่นนี้น่าขยะขยะหน่าเกลียดหน้ารังเกียจหน้ารังเกียจไม่ใช่หน้ารักหน้าใครอันนี้เป็นอุบายของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเรามายุติความอยากเสพ เสพกรามกันนี่คือจะทำถ้าสามารถหยุดการรังงับความอยากเสพกรามได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะมนุษย์จะมาเกิดทำไมที่มาเกิดเป็นมนุษย์กันก็เพราะอยากจะเสพกรามนี่แหละ อ, อ, อยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้แต่พอเห็นคนนั้นคนนี้เป็นอสุภาไป ทีนี้มันก็เลยไม่มีความอยากไปเสพกามเอรพวกที่ ไ, ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆพอเห็นสุภาพเหล่านี้ก็เลิกเที่ยวได้ไม่ต้องไปตามอาบอนวดไม่ต้องไปตามออที่ อ, อที่เขาขายแบบเขาขายอืขายประเวณีกันถ้าประเวณีกันอันนี้ก็ วิธีที่จะทำให้ละความอยากหยุดความอยากได้ต้องใช้ปัญญาจะหยุดได้อย่างถาวรถ้าใช้สติใช้สมาธินี่หยุดได้ชั่วขณะที่จิตสงบเพราะตอนที่จิตสงบจิตจะไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้จะไม่คิดถึงคนสวยคนด่ อ, อ, อแต่พอออกจากสมาธิมา ถ้าเผลอสติเดียวก็ไปคิดถึงคนสวยคนหล่อได้ก็ต้องมาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แทนที่จะคิดถึงคนสวยคนหลอ่อให้คิดถึงคนไม่สวยคนไม่หลอ่อดูในคนที่สวยคนที่หล่อนี่แนะมีส่วนที่ทำให้เขาไม่สวยไม่หลอ่อไม่งั้นเขาจะอยา ก, กันนะคนเราแต่งงานกันใหม่ๆก็ไปเห็นส่วนที่สวยที่หลอก็เลยแต่งงานกัน พอไปอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวไปเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่หลอ่อมันก็เบื่อใช่ไหมใครจะมาแต่งตัวแต่งหน้าให้ดูทุกวันพอแต่งงานกันแล้วก็ขี้เกียจแต่งหน้าแต่งตัวพอไม่เห็นไม่พออยู่ด้วยกันเห็นไม่สวยไม่หลอ่อมันก็เบื่อเลยมันก็อยากจะหยา ก, กันนี่แหละคือ วิธีใช้ปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าอยากได้อย่างอื่นก็ให้ดูว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ได้มาดีใจแต่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวเกิดมันไปมันจากเราไปก็จะทำให้เราทุกข์หรือมันไม่จากแต่มันเปลี่ยนไปจากจากการเป็นของดีกลายเป็นของไม่ดี ซื้อรถดีมาขับก็ดีใจพอกลับไปได้สักพักเกิดมันเสียขึ้นมานี่ก็เสียใจนะเอาเข้าอู่กี่ครั้งก็ยังเสียอยู่นั่นเห็นไหมจนต้องเอามาทุบทิ้งต่อหน้าอู่เพราะว่าขอเปลี่ยนกันใหม่เขาก็ไม่อยอมเปลี่ยนให้เขาจะยืนยันซ่อมอย่างเดียวแต่ซ่อมที่ไหนก็ซ่อมไม่หายซ่อมไปวิ่งได้สองวันเนี่ยเสียอกีกละอันนี้กลายเป็นทุกข์ไป สุขก็เลยกลายเป็นทุกข์ไปคิดว่าจะมีรถยนต์พาไปไหนมาไหนได้อย่างสุขสบายสะดวกสบายกลับต้องมาคอยเอารถเข้าอู่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์นะให้มองทุกอย่างที่เราอยากได้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนจากดีกลายเป็นไม่ดีไปไม่ช้าก็เร็วอืม ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นบุคคลเหมือนกันทั้งนั้นมีการเปลี่ยนมีการเสื่อมมีการดับอพอมีพอมีความเสื่อมมีความดับมันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกันทุกใจกนันนี่คืออนิจจงทุกขังอนัตตาอนัตตาก็คือเราไปห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้ สั่งให้มันดีไปตลอดไม่ได้ซื้อรถมาแล้วสั่งไม่ให้มันต้องเข้าอู่ไม่ได้ซื้อรถใหม่มาเ็ายังมีหนังสือสั่งให้เอาเข้าอู่อยู่เรื่อยๆเนะีอยเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่เข้าอู่มันก็จะพังเร็วถ้าเข้าอู่มันก็จะพังช้าหน่อยเสียช้าหน่อยเท่านั้นเองนะขอให้เรามองให้เห็นว่าทุกอย่างนี้ มันไม่ดีไปตลอดมันไม่ให้ความสุขกับเราไปตลอดเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันสูญไปหมดไปเพราะมันไม่เที่ยงมันต้องสูญมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเราควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเป็นเหมือนธรรมชาติ เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถไปสั่งดินฟ้าอากาศได้ว่าห้ามตกวันนี้ห้ามฝนตกให้ตกพรุ่งนี้ห้ามไม่ได้ฝนมันจะตกเมื่อไหร่มันก็ตกมันจะหยุดเมื่อไหร่มันก็หยุดมันไม่ฟังคําสั่งของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันคนนั้นคนนี้ไปสั่งเขาก็ไม่ได้บางทีสั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้ลูกนี้ตอน เป็นเด็กนี่ว่านอนสอนง่ายนะสั่งให้ทำอะไรทาหมดนะพอเริ่มโตขึ้นทีนี้เริ่มดือ้อสั่งไม่ได้นะนี่แหละคืออนิจจังไม่เหมือนเดิมต้องมีวันเปลี่ยนแปลงไปมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเสื่อมไปถ้าเราคิดอย่างนี้แนละ้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะว่า ถ้าได้อะไรมาก็เท่ากับได้ความทุกข์มานั่นเองไม่ชา้าก็เร็วเพียงแต่ว่าความทุกข์นี้มันมีความสุขคุ้มห่ออยู่ทำให้เรามองไม่เห็นความทุกข์กันถ้าไม่ใช้ปัญญานี้เราจะไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราหากันอยู่นี้มันเป็นความสุขผิวบางๆที่หุ้มห่อความทุกข์อยู่เราจะคิดว่าเป็นความสุขทั้งแท่ง ถ้าเป็นยาอมก็คิดว่าจะ เ, เป็นน้ําตาลทั้งลูกเนีย่ยหาที่ไหนได้บริษัทมันย้อมแมวเอาเอาของขมมาเคลือบน้ําตาลหลอกขายเราคิดว่าเป็นลูกอมหวานทั้งลูกพออมไปได้นิดเดียวพอน้าตาลละลายนี่ต้องทายทิ้งบ้วนทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งต่างๆที่เราได้มาเนี่ย เห็นไได้มาไม่นานเดี๋ยวต้องโยนทิ้งกันแลันแต่งงานกันไม่นานเดี๋ยวก็ต้องหย่ากันแลต้องเลิกกันนะได้อะไรมาเดี๋ยวก็ต้องทิ้งเพราะมันเสียใช่ไหกองขยะเต็มไปหมดนี่แะนี่แหละคือโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรามองไม่เห็นกันเราไปมองเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาได้อะไรมาแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไปเรื่อย <doch. peacefully. S 2> ให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆสั่งมันได้สั่งไม่ให้มันให้ความทุกข์กับเราได้แต่สั่งไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องให้ความทุกข์กับเราทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันเราทุกข์กับอะไรล่ะก็เราทุกข์กับสิ่งที่เรามีใช่ไหมสิ่งที่เราไม่มีเราทุกข์ไมไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่พอมีอะไรแล้วต้องทุกข์กับมันทันที ทุกพอรักพอหวงพอห่วงพาะกลัวมันจะสูญไปเสียไปหมดไปก็เลยต้องคอยดูแลรักษาแล้วดูแลรักษาดีขนาดไหนไม่ช้า ก, ก็เร็วก็ต้องจากกันไปไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตาย น, นี่คือโลกของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่พวกเราดิ้นหากันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเหมือนเงาที่มันทอดอยู่ข้างหน้าเราพอเราไปตรงที่มันอยู่มันก็หนีเราไปแล้วพอได้อะไรมาแล้วความสุขนี้ได้มาเดี๋ยวเดียวหายไปหมดแล้วต้องไปเอาตัวใหม่แล้วซื้อของมาดีใจไม่กี่วัน เดี๋ยวอยากจะได้ของใหม่แล้วของเก่าไม่มีความหมายแล้วไม่ได้ให้ความสุขเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆม น, นี่คือสิ่งที่เราไม่คิดกันเราเลยมาหลงมายึดมาติดกันอมาอยากกันเลยเร า, เ, ราเลยต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆมาเวียนว่ายตายเกิดกันมาเกิดแล้วก็ต้องมาตายกัน นี่เรามาตายกันไม่รู้กี่กี่ล้านครั้งแล้วถ้าถ้าเรามีสุสานสําหรับเรานี่โลกทั้งโลกนี้อาจจะไม่พอเป็นเป็นสุสานสําหรับร่างกายของเราคนเดียวเนะชื่อไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วน้ําตาที่เราหลั่งนี่ถ้ามารวมกันนี่มันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรซะอีก เราคิดดูว่าถ้าเราต้องฝังร่างกายแต่ละร่างที่เรามาเกิดเนี่ยจะเอาที่เอาดินที่ไหนเอาที่ดินที่ไหนมาฝังทั้งโลกนี้ก็ไม่พอฝังสำหรับร่างกายของเราคนเดียวน่ะเราคิดดูถ้าร่างกายของสัตว์โลกทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกเนี่ยจะเอาโลกกี่โลกมาถึงจะทําสุสานฝังร่างกายเหล่านี้ได้ น, นี่แหละคือสิ่งที่พวกเรา ไม่ได้คิดกันไม่สนใจที่จะคิดกันเพราะว่ามันไปขัดกิเลสนั่นเองถ้าไปคิดแล้วมันจะทำให้เหี่ยวห่อใจพอคิดถึงความตายพร่ำนี่ใจห่อเหี่ยวขึ้นมาเลยกลัวไม่กล้าคิดกันเพราะคิดไม่เป็นไม่คิดคิดให้มันเกิดประโยชน์ไม่เป็นคิดแล้วทาให้เกิดโทษมันก็เลยไม่กล้าคิดกัน แต่ถ้าคิดให้เกิดประโยชน์นี้ต้องทําใจให้สงบก่อนถึงค่อยมาคิดได้ถ้ามาคิดตอนที่ใจยังมีกิเลสทุ่มห่ออยู่นี่คิดไม่ได้คิดแล้วมันจะเกิดอาการเศร้าหมองขึ้นมาอาการหดหู่ใจเราจึงต้องมาทําสมาธิกันก่อนนั่นเองเพราะเวลาเราทําสมาธิใจเราสงบแล้วมันจะอทําทให้กิเลสตัณหามัน มันมันพักลงไปมันมันไม่ทำงานชั่วคราวเนี่ยตอนที่ออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะคิดทางปัญญาได้คิดอสุภะได้คิดความตายได้แต่ถ้าตอนที่ไม่มีสมาธินี่ไม่ได้นั่งสมาธินี่ไม่อยากคิดเนี่ยคิดแล้วมันไม่สบายใจมันจึงไม่อยากคิดกัน เมื่อไม่คิดมันก็เลยลืมความจริงกันไม่เห็นความจริงกันก็เลยไปคิดว่ามันมันไม่ไม่ตายมันสวยงามามันจะอยู่กับเราไปเรื่อยเป็นของเราไปเรื่อยอนี่แหละจึงทาไมเราต้องทำสมาธิกันก่อนเพราะถ้าไม่ทำสมาธิมันไปทางปัญญาไม่ได้หรอกไปก็อาจจะไปแค่วับวบไปเดียวเดียวไปแล้วก็ แล้วก็วเดี๋ยวๆก็หยุดเพราะคิดไม่ได้คิดแล้วมันไม่สบายใจคิดมากๆเดี๋ยวกลัวจะฆ่าตัวตายคิดถึงความตายมากๆเดี๋ยวกิเลสมันจะหลอกให้ฆ่าตัวตายอันนี้ก็ผิดเอะจึงต้องมีศีลจะได้ป้องกันเวลาจิตวิตปลาสขึ้นมา จิตคิดไปในทางไม่ดีขึ้นมาจะได้รู้ว่าทำไม่ได้ค่าตัวตาย่าตัวเองก็ไม่ได้ค่าคนอื่นก็ไม่ได้ผิดศีลเป็นบาปการที่จะคิดทางปัญญาจริงๆนี่มันต้องมีจิตที่สงบจิตที่เป็นกลางพอสมควรคือไม่มีกิเลสมาคอยอามาคอยต่อสู้ ถ้ามีกิเลสมาคอยต่อต้านมันจะคิดไม่ออกเดี๋ยวคิดไปในทางที่ผิดเนี่ยคิดไปในทางที่เอานหนๆจะตายก็ตายเสียแต่ตอนนี้เลยฆ่าตัวตายไปเลยฆ่าตัวตายก็ไม่บัรลุนะฆ่าตัวตายแบบนี้ไม่บัรลุผู้บัรลุเขาไม่ฆ่าตัวตายกันเพราะเขาไม่เขาไม่ไม่ได้มามาม า, มาทำลายร่างกายเขามาศึกษาร่างกาย เพื่อให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นอย่างไรท่านั้นเองรู้แล้วก็ปล่อยวางพอรู้แล้วปล่อยวางแล้วใจก็ไม่วุ่นวายไปกับความเป็นความตายของร่างกายไม่มีความจําเป็นที่จะต้องฆ่าตัวตายดังนั้นก่อนที่เราจะมาเจริญปัญญาได้เราต้องทํามสมาธิให้ได้ก่อน ทำจิตสงบให้มากๆให้บ่อยๆจนเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังสงบต่อไปได้เป็นเวลายาวนานถ้าเราสงบได้ชั่วโมงออกมาก็มันก็ยังจะสงบต่อได้อีกชั่วโมงอตอนนั้นเราก็สามารถพิจารณาสุภาษได้พิจารณาความตายได้พิจารณาการพัากจากคนที่เรารักได้พิจารณาได้หมด คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ปูย่ย่าตายายลูกหลานมันไม่แน่หรอกมีใครรับประกันได้ว่าจะไม่ตายกันเขาอาจจะตายก่อนเราก็ได้หรือเราอาจจะตายก่อนเขาก็ได้ถ้าจิตไม่มีความสงบพอไม่มีอุบเบกขาพอจะคิดไม่ออกคิดแล้วมันไม่สบายใจเห็นไหมคนที่คน คนที่เป็นคารวาสผู้ที่ไม่ได้ภาวนานี้เขาไม่พูดคำว่าตายเลยเขาห้ามใช้คำว่าตายเนต้องใช้คำอื่นแทนนะพระเจ้าแผ่นดินตายก็บอกต้องสวรรค์คดไปสวรรค์ฟังแล้วมันฟังดีหน่อยพระตายก็บอกนิพพานพระอหาหันตายก็นิพพานพระธรรมดาตายก็มรณะมรณภาพ ถ้านายกตายก็อาศัญกรรมออออถ้าคนธรรมดาก็ถึงแก่กรรมเลออ้ไม่รู้ว่าคำว่าตายนี่อยู่ที่ไหนไม่มีใครกล้าใช้คำว่าตายกันถ้เหมือนกับว่าจะสาบแช่งแล้วลองต้องมาคิดว่าเราต้องตายนี่มันเหมือนกับยิง่งมันไม่ร่ายกาดกว่าเพียงแต่คิดคำว่าตายคำเดียวพระพุทธเจ้าบอกให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้ว ต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่ให้คิดอยู่ไม่ใช่คิดแค่วัคขั้งสองครั้งเนะท่านบอกให้คิดทั้งวันเลยคิดทุกลมหายใจเข้าออกเลยถึงจะได้ไม่ลืมไม่ใช่อะไรที่ให้คิดบ่อยๆนี่เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพราะว่าพอเราไม่คิดปั๊บมันลืมเลยมันลืมว่าไม่ตายเลยมันเลยอยากจะอยู่กัน พออยากจะอยู่มันก็เลยทุกข์กันเวลาเจอความตายกันแต่ถ้ามันไม่ลืมความตายมันจะรู้ว่าอยากอยากจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้มันก็เลยไม่อยากดีกว่าเพราะเวลาไม่อยากแล้วมันไม่ทุกข์พออยากจะอยู่แล้วมันทุกข์เวลาจะตายนี่ทุกข์มากทุกข์เพราะความอยากอยู่ทุกข์เพราะความอยากไม่ตายแต่ถ้าเราหยุดความอยากอยู่ได้หยุดความอยากไม่ตายได้ หยุดภาวะตันหาอยู่อุจหยุดวิภาวะตันหาได้ใจเราจะไม่ทุกข์กับความตายตายได้อย่างสบายตายเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ตายใจของเราจะเหมือนเดิมก่อนตายหลังตายระหว่างตายนี่ใจจะไม่ทุกข์เลยถ้าเราหมั่นพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆจนใจรู้ว่าไม่ควรที่จะอยากไม่ตายไม่ควรที่จะอยากอยู่ เพราะจะเห็นว่าความอยากอยู่หรือความอยากไม่ตายนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ไม่ใช่ตัวความตายความตายไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจแต่ตัวความอยากอยู่ตัวความอยากไม่ตายนี้ต่างหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจต้องคิดบ่อยๆคิดจนไม่ลืมคิดจนปล่อยวางความอยากอยู่ปล่อยวางความอยากไม่ตายได้ถึงจะหยุดคิดได้ ถ้ายังอยากอยู่ยังอยากไม่ตายก็แสดงว่ายังมองไม่เห็นความตายยังลืมความตายอยู่แต่ถ้าคิดไปเรื่อยคิดอยู่เรื่อยว่ากูต้องตายแน่ๆไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องตายห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาอันนี้จังมันเป็นของที่จะต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าไปอยากให้มันไม่ตายก็จะทุกข์มาก ถ้าหยุดความอยากไม่ตายได้ยอมรับความจริงรับว่าห้ามความตายไม่ได้ความตายจะต้องเป็นไปตามวาระของมันพอเราสอนใจอย่างนี้บ่อยๆต่อไปมันก็จะเห็นโทษของความอยากไม่ตายความอยากอยู่ว่าเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจไม่ใช่ตัวความตายก็เลย หยุดความอยากไม่ตายได้หยุดความอยากอยู่ได้อยู่เท่าที่อยู่ได้เมื่อถึงเวลาก็ให้มันไปเมื่อถึงยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ฆ่ามันก็ปล่อยมันอยู่ไปเอฆ่าตัวตายก็เป็นความทุกข์อีกอย่างพออยากจะให้มันหมดปัญหาไปเร็วๆก็เลยฆ่ามันอันนี้ก็จะทําให้ใจทุกข์อีกเวลาฆ่ามันเห็นอย่าไปอยากฆ่ามันหมืออยากไปอยากให้มันอยู่เอ ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันมันอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแต่เราจะปล่อยได้ต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้นะให้คิดอย่างนี้จะคิดได้ก็ต่อเมื่อมีอุเบกขาจากสมาธิถ้าไม่มีอุเบกขาพอคิดถึงคําว่าตายนี้ใจ ไม่สบายแล้วเอเห็นไหมเวลาไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งนี่โอ้ใจนี้หมดกําลังจิตกําลังใจจะอยู่ทั้งทั้งที่ยังไม่ตายเพียงแต่ได้ยินข่าวทนั้นนีงแต่ถ้าเราฝึกผลวกลมจิตใจอยู่เรื่อยควบคุมความอยากไม่ตายอยู่เรื่อยๆควบคุมความอยากอยู่อยู่เรื่อยต่อไปเวลาได้ข่าวหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเป็นก็เป็นสิรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นออ ถู้อยู่แล้วว่ามันต้องตายตายแล้วก็ตายเป็นณนี้เราไม่กลัวความตายแล้วตายเป็นตายแบบไม่มีความอยากไม่มีความอยากอยู่ไม่มีความอยากไม่ตายก็จะตายอย่างสบายตายอย่างสุกโตตายอย่างพระพุทธเจ้าตายอย่างพระอรหันต์จึงต้องมาฝึกสมาธิก่อน แต่ถ้าออกจากสมาธิมาอยากจะคิดถึงความตายคิดได้คิดไปเลยไม่ห้ามแต่ถ้าคิดแล้วใจหดถู่มันก็ไม่กล้าคิดอยู่ดีมันก็จะเปลี่ยนเนื่อคิดไปหรือคิดอสุภะได้ก็คิดเลยกลัวจะคิดไม่ได้มากกว่าหรือคิดได้ครั้งสองครั้งคิดว่ารู้แล้วจบแล้วไม่ใช่ยังต้องไปพิสูจน์ดูก่อนว่าแล้วยังทุกกับความตายอยู่หรือเปล่า ยังทุกข์กับการอยู่คนเดียวหรือเปล่าเวลาอยากจะมีแฟนอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนแล้วต้องอยู่คนเดียวยังเหงาอยู่หรือเปล่ายังว้าเวอยู่หรือเปล่าถ้ายังว้าเวอยู่อสุภพที่เห็นมันเป็นอดีตไปแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ต้องเอามาใช้ในปัจจุบันการพิจารณานี่บางทีมันยังไม่ไดเอามาใช้เป็นการทำการบ้านเท่านั้นเองยังไม่มีข้อสอบ ต้องรอดูตอนที่มีข้อสอบก่อนแล้วว่าทําข้อสอบผ่านหรือเปล่าอเออวลางอยู่คนเดียวเหงาหรือเปล่าเคยมีแฟนอยู่กับแฟนพอแฟนไม่อยู่เหงาหรือเปล่าเลยอยู่คนเดียวอยากจะไปมีแฟนนี้เออันนี้ก็เป็นข้อสอบถ้าเห็นสุภาพจริงแล้วจะไม่อยากมีแฟนจะไม่อยากจะอยู่กับใครเอถ้าเห็นความตายจริงแล้วจะไม่กลัวตายเอ จะเฉยๆกับความตายพอรู้ว่าทำอะไรไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะตายก็ต้องตายห้ามใจอย่างเดียวพอห้ามความอยากไม่ตายห้ามความอยากอยู่แล้วใจจะปลอดภัยใจจะไม่ทุกข์ใจจะอยู่อย่างสบายตายอย่างสบายนี่คือการประกันชีวิต ของพระพุทธศาสนาต้องจ่ายเบี้ยรประกันต้องท้อต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลส 7, องยบเจแล้วก็ต้องมาฝึกสมาธิมาเจาริญสติมาควบคุมความคิดมาหยุดความคิดให้ได้ก่อนพอหยุดความคิดก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบเย็นสบาย พ อ, อจากสมาธิมาก็คิดถึงอสุภะได้คิดถึงความตายได้คิดถึงการพัดพากจากบุคคลและสิ่งต่างๆได้ต้องคิดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งจนใจพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์เหล่านี้พร้อมที่จะรับกับความตายพร้อมที่จะรับกับการพัดพากจากสิ่งต่างๆไปพร้อมที่จะอยู่คนเดียวได้นั่นแหะถึงจะรู้ว่า ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณาโดยที่ยังไม่มีข้อสอบยังไม่รู้ว่าใช้ใชได้หรือไม่ได้ต้องรอให้มีข้อสอบก่อนอถึงจะรู้ว่าปัญญานี้เป็นปัญญาแท้หรือปัญญาเทียมการพิจารณาสุภาษนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะไประ ง, งับกามอารมณ์มได้ต้องรอดูว่ามีการอารมณ์แล้วเอ า, อาสุภาษมาระ ง, งับมันได้หรือเปล่า ถ้าเวลาเกิดการมาลมมมาสุภาหายไปไหนไม่รู้ควานหาที่ไหลไม่เจอเจอแต่สุภามองไป ม, มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนสวยคนหล่อไปหมดคนไม่สวยคนไม่หล่อหาไม่เจอมาเจอตอนที่ไม่มีการมาลม้มอันนี้ก็ไม่ประโยชน์อะไรเหมือนกับมียาตอนที่เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร พอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหาไม่เจอที่ไหมจาไม่ได้ว่าเอายาไปไว้ที่ไหนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแล้วอสุภะไม่มาหรือมรานุสติไม่มานี่ก็แสดงว่ายังไม่เป็นปัญญาแท้เป็นปัญญาเทียมยังหายามาแก้ปัญหาไม่ได้มันจะเป็นแท้ก็ต่อเมื่อเรา พิจารณาอยู่เรื่อยๆจนมันอยู่คู่กับใจเราไปต่อต้องการมันเมื่อไหร่ก็มาทันทีเรียกมันขึ้นมาได้ทันทีเหมือนสูตรคูนี้ถ้าเราไม่ท่องสูตรคูนจนเราจำได้เดี๋ยวเวลาจะใช้มันจำจำไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราท่องจนขึ้นใจแล้วนี่พอต้องใช้มันปั๊บมันมาทันทีเลย ต้องเป็นแบบสูตรคูณต้องเหมือนกอไก่ขอไข่ A B C เนี่ยเี่ยท่องได้ A ถึงแซดกอไก่ถึงฮอน้คู่ต้องท่องได้ตลอดเวลาที่ต้องการต้องเห็นสุภะทุกเวลาที่ต้องการต้องเห็นความตายทุกเวลาที่ต้องการแล้วกิเลสตันหาความอยากต่างๆมันก็จะไม่สามารถที่จะมาทํางานได้เอ ใจของเราก็จะไม่มีตัณหาความอยากที่จะมาเกิดอีกต่อไปกไ็เมื่อไม่เกิดก็จะไม่ตายนี่คือการจ่ายเบีย้ยประกันการซื้อประกันชีวิตของพุทธศาสนาต้องจ่ายเบีย้ยประกันคือต้องถือศีลแปดขึ้นไปต้องภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนเกิดปัญญาขึ้นมา แล้วต่อไปจะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ก็หยุดการเกิดได้เมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายตามมาอีกต่อไปเราก็จะไม่มีวันตายอีกต่อไปเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านไม่ตายอีกแล้วเพราะท่านไม่มาเกิดอีกแล้วแต่พวกเรานี้ยังไม่ได้ซื้อประกันชีวิตกันเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ ตายแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เกิดแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็มาเกิดใหม่อีกชาติหน้าอาจจะไม่มีบริษัทประกันชีวิตมาขายประกันให้เราด้วยซ้ําไป เ, เราก็อาจจะต้องไปเกิดกีกไม่รู้กี่ล้านครั้ง Қ กว่าจะไปเจอบริษัทประกันชีวิตคือพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งถ้าเราไม่รีบซื้อประกันชีวิตและจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่บัตนี้ไปเราอาจจะต้องกลับมาเกิดมาตายอีกไม่รู้กี่ล้านครั้ง ก็ขอให้เอาไปคิดดูการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะท้าวาริวาหาปุรวาปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุปปักปฏิ อิชิตังปฏติตังตุ მ หังคิปะเมวะสมิจโตสะเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาหราโสยธามณีโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโต สัพพโรโควินัสสตุมาเตผวะตวันตารายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ c e b o o สา6รอยหกสิบเก้าค่ะย o u t u หนึ่งร้อยหกสิบสามวิทิออนไลน์สี่สิบสองรับฟังบนเขา3สามสิบสี่รวมทั้งสิ้นหกร้อยแปดท่านค่ะมีใครอยากจะถามคำถามก็ถามได้ในตอนนี้เลยไม่อยากจะถามเองก็เขียนใจข้อความเข้ามา เดี๋ยวให้ทางพิธีกร อ, อ่านให้ถ้าทางบ้านมีคำถามก็ส่งเข้ามาได้เลยคำถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะจากคุณนงรักค่ะ เมื่อนั่งสมาธิแล้วสักครู่รู้สึกว่าไม่ได้หายใจไม่พุโทโธอย่างนี้แล้วจะอย่างไรต่อไปเจ้า้าสาธุค่ะก็นั่งเฉยๆไปได้ก็นั่งไปเฉยๆให้มีสติรู้ว่าตอนนี้ไม่มีพุโทโธไม่มีลมหายใจมีแต่ความว่างก็หัดอยู่กับความให้อยู่กับความว่างไปเพราะความว่างนี่แหละเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นอุเบกขา ให้อยู่เป็นนานๆชั่วโมงสองชั่วโมงได้ยิ่งดีสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ยิ่งดีอยู่เป็นนานๆานแล้วเวลาออกจากสมาธิมาใจจะได้เย็นเป็นนานๆานใจจะได้เป็นอุเบกขาเป็นนานๆใจจะไม่วูกว่าเห็นอะไรก็จะสักแต่ว่าเห็นจะไม่วู่ว่าวจะไม่เกิดอารมณ์ถ้าเกิดอารมณ์ก็แสดงว่าอุเบกขาหมด ก็ต้องกลับไปเติมใหม่กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ถ้ายัางใช้ปัญญาไม่เป็นก็อาศัยสมาธิทำใจให้เย็นไปก่อนอถ้าใช้ปัญญาเป็นก็หัดใช้ไปมองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เห็นเขาพูดไม่ดีก็ก็เฉยเฉยเพราะว่าไปทำอะไรไม่ได้ เ, เห็นเขาทาดีก็ เฉยๆไม่ต้องไปดีใจเป็นเรื่องของเขาเขาอยากจะทําดีก็เรื่องของเขาไม่ดีใจกับเขาก็เท่านั้นเดี๋ยวเกิดเขาทําไม่ดีเดี๋ยวก็ไปเสียใจกับเขาอีกเนี่ยหมายเป็นเรื่องของเขาไว้หมดให้สักแต่าว่ารู้ไปนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้จิตสักแต่าว่ารู้ไม่มีปฏิกิริยา ทางอารมณ์กับใครทั้งนั้นไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรทั้งนั้นคำถามจากทางลายค่ะนามส ก, การค่ะพระอาจารย์ตอนลูกยังเล็กโยมทำประกันชีวิตเผื่อถ้าโยมเป็นอะไรไปลูกจะได้มีทุนเรียนจบจนตอนนี้ลูกจบทำงานแล้วเลยคิดว่าเราไม่ต้องห่วงใครห่วงตัวเราดีกว่า คิดจะยกเลิกเอาเงินที่ส่งเดือนละหกพันมาแปลเป็นบุญดีกว่าเพราะคิดว่าเราตายไปก็ไม่ได้ใช้สู้เอามาทําบุญของเราดีกว่าคอยบุญจากคนอื่นที่หลังตายพระอาจารย์คิดว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคะเออ่เห็นแก่ตัวมันไม่ผิดเนี่ยเห็นกินข้าวก็เห็นแก่ตัวหเปล่าใช่ไหม เห็นแก่ตัวที่มันไม่ไปทําให้คนอื่นเสียหายไม่ไปทําให้ใครเขาเดือดร้อนมันไม่เป็นการผิดทุกคนเห็นแก่ตัวต้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเห็นแก่ตัวแล้วมันปล่อยปากละเลยหน้าที่ของตนหรือเปล่าเห็นแก่ตัวแบบนั้นไม่ดีเช่นเวลากินกินกันพอกินเสร็จเวลาลรางถ้วยรางชามหนีกันไปหมดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวเอนั้นการทําอะไรเพื่อ ประโยชน์ของเรานี่โดยที่ไม่ไปทําให้คนอื่นเสียหายไม่ไม่ถือว่าเป็นความผิดมันเห็นแก่ตัวมันต้องเห็นกกบตัวอัตตาหหอัตนโนนาโถงไงเราต้องเป็นที่พึ่งของเราใครจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้นาบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเป็นทรัพย์ที่เราจะไปใช้ในต่างประเทศเวลาเราตายไปนี่เหมือนกับเราไปต่างประเทศเราทรัพย์ที่อยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้ เราต้องเอาบุญไปพวกที่เขาไปเป็นเทวดากันก็นเพราะเขามีบุญติดตัวไปพวกที่ไปเป็นขอทานที่ไปเป็นเปรตก็เพราะเขาไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปมันถึงมีแต่มีแต่ความทุกข์ติดตัวไปความทุกข์ยากลำบากติดตัวไปงั้นทำบุญไปเถิดมีเท่าไหร่ทาให้มันหมดเก็บไว้เฉพาะเท่าที่จะต้องใช้เลี้ยงดูอัตภาพร่างกายส่วนที่เหลื อ, อไปทาบุญให้ใครก็ได้ ให้ลูกให้พี่ให้น้องให้ใครก็ได้ไม่ไม่สำคัญครับคาถามจากทางยูทูจากคุณสุประวียค่ะกราบนรัศการหลวงพ่อค่ะขอกราบเรียนถามค่ะการมีสติรละลึกรู้ใจต่อเนื่องลมหายใจต่อเนื่องจะมีผลต่อการตัดกิเลสตัดภพตัดชาติได้อย่างไรเจ้าคะเ oh วลา ใจสงบเราก็หยุดการทา ง, งานของกิเลสตัวที่ไปก่อพบเก่อชาตินั่นเองอย่างถ้าวันหนึ่งเราหยุดกิเลสได้สิบชั่วโมงมันก็ทำให้การก่อพบก่อชาติน้อยลงไปสิบชั่วโมงถ้าเราทำทุกวันมันก็น้อยลงไปได้เรื่อยเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถตัดพบตัดชาติได้อย่างถาวรเพราะถ้าเราเพิ่มสติเมื่อไหร่กิเลสมันก็จะมาก่อพบก่อชาติต่อได้ นั่นนอกจากการใช้สมาธิแล้วเรายังต้องใช้ปัญญาด้วยเราจะได้กบจัดกิเลสได้อย่างถาวรสติสมาธินี้หยุดมันเท่านั้นแต่ไม่ทำลายมันผู้ที่จะทำลายมันต้องเป็นปัญญาปัญญาต้องเห็นไตรลัต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนะัตตาเห็นอสุภะเห็นสิ่งที่น่าเกียดน่ากลัวทั้งหลายไม่น่ายินดีทั้งหลาย เห็นสิ่งที่น่ายินดีให้มันไม่น่ายินดีมันจะได้ไม่มีความโลภอยากได้ <c oughs> คำถามจากทางเฟซบุกนะคะจากคุณพีโกค่ะมีสองข้อนะคะข้อหนึ่งถ้าเราทำกรรมดีและละกรรมไม่ดีแต่ไม่ยึดผลของกรรมผลลัพธ์เป็นอย่างไรยึดไม่ยึดมันก็เกิดนะทำกรรมดีใจก็มีความสุขทำกรรมไม่ดีใจก็ทุกข์ไง มันไม่อยู่ที่ยึดหรือไม่ยึดมันอยู่ที่ทําหรือไม่ทำํำนะถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็อย่าไปทํากรรมไม่ดีอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปพูดปดอย่าไปดื่มสุรายา่าเมาความทุกข์ก็จะไม่เกิดนะถ้าอยากจะมีความสุ ข, ขก็ทํากรรมดีไปอทําบุญทําทานช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เอให้คนอื่นทําอะไรที่ทําให้คนอื่นเขามีความสุขเนี่ย แล้วเราก็จะทำให้เรามีความสุขขึ้นมาถ้าอยากจะทำมากกว่านั้นก็ไปนั่งสมาธิไม่ทำอะไรเลยยิ่งมีความสุขใหญ่อันนี้เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่เกิดจากความสงบของใจคำถามที่สองค่ะถ้าต้องการฝึกสติให้รู้ทันทีๆต้องทำอย่างไรครับก็พุโทโธให้ทีๆพุโทโธทีๆอย่าทิ้งพุโทโธ คำถามจากคุณลูกหมีตัวน้อยค่ะในขณะที่ดิฉันทํางานอยู่ที่บริษัทมีความประสงค์ถือสินแปดได้หรือไม่เจ้าค่ะได้ถ้าถือได้ก็ถือไปเลยเหมือนอย่างเราอยากจะถือกระป๋องนี้ถ้าเราอยากจะถือก็ถือไปเลยอยู่ที่ไหนก็ถือได้ไม่ใช่เลยกระป๋องอยู่ที่เราจะถือหรือไม่ถือเท่านั้นเองถือได้ก็ถือไป คำถามจากคุณเค้กจุ๋มเบเกอรีร่ค่ะหนูติดโทรศัพท์มากค่ะอยากจะภาวนาตอนเย็นพอทำงานมาเหนื่อยก็มานั่งเล่นโทรศัพท์จนดึกค่ะอยากจะเลิกเล่นค่ะแต่เลิกไม่ได้สทีเอามาถวายเราสิเอามาทำบุญเอาไปทำบุญเดี๋ยวเอามาจริงๆนะเนอะไม่ใช่มาแล้วจะซื้อเครื่องใหม่ เอาไปบริจาคเออเาไปทําบุญดีกว่าเมื่อมันเป็นพิษเป็นภัยกับเราเก็บมันไว้ทําไมเอามาทําให้มันประโยชน์ดีกว่าด้วยอาการเอาไปบริจาคที่เขาต้องการที่เขาขาดแคลนที่ไหนเขาขาดแคลนทรศัพท์ก็เอาไปบริจาคที่นั่นไปคําถามจากคุณอัตาหิอัตโนนาโถค่ะเวลาได้ยินข่าวการตายของคนอื่นเรากลับดีใจไม่รู้สึกเศร้าเสียใจและยินดีกับเขาเจ้าค่ะ ที่เขาสามารถลาทิ้งสังขารอันเป็นทุกนี้ไปได้และกลับรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาของเราเสียทีอยากจะลาทิ้งไปบ้างและไม่อยากกลับมาเกิดอีกเจ้าค่ะทุกวันนี้ก็ปฏิบัติธรรมรอความตายเจ้าค่ะก็ต้องภาวนาให้มากๆภาวนาให้จนสามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้คำถามจากคุณจินดาพรค่ะบาง า, าไปบางครั้งเราทำดีบ้างและเผลอทำไม่ดีบ้างแต่คนก็ชอบนินทาเพราะคนเราผิดพลาดกันได้แต่คนที่ชอบนินทาผู้อื่นเขาไม่ยอมมองตัวเองเลยว่าตัวเองเคยทำอะไรผิดพลาดมาบ้างเราควรวางตัวกับบุคคลเหล่านี้ยังไง เราก็เหมือนเขาเราก็ชอบไปมองเขาเหมือนกันเรามองเราสิอย่าไปสนใจเขาเราไปว่าเขามองเราก็ถ้ากับเราไปมองเขาแล้วใช่ไหม ไปมองเขาทำไมไปว่าเขาทำไมเขาจะนินทาเขาจะสรรเสริญก็ปากของเขาเราก็อย่าไปสนใจเราดูตัวเราสิเราดูตัวเราว่าเราดูใจเราเราดูคนอื่นเราไม่ดูใจเราใจเราทุกข์เพราะอะไรเพราะอยากให้เขาสรรเสริญไม่อยากให้เขานินทาแค่นี้เองถ้ากลับมามองที่ใจปัญหาก็จบนะ ก็ต่อไปนี้ก็อย่าไปอยากให้เขาสรรเสริญอย่าไปอยากให้เขาไม่นินทานเราท่านนั้นเองทีนี้เขาจะนินทาหรือสรรเสริญเราก็เฉยได้สบายเนี่ยว่าเขาว่าเขาว่าคนอื่นไอ้เราก็ไปว่าเขามันก็พอกันแล้วค่ะคำถามจากคุณ Live Everyday Happy นะคะเวลา ลูกนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิแล้วมันไม่มีความรู้สึกว่าทุกข์หรือสุขเลยเจ้าค่ะมันมีแต่ความรู้สึกว่าเฉยเฉยมันเป็นภาวะของอะไรหรือเจ้าค้าผู้เบีค้างเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ยินดีไม่ยินไล่ทั้งไงก็ได้สุขมาก็เฉยทุกข์มาก็เฉยสรรเสริญมาก็เฉยนินทามาก็เฉยได้เงินมาก็เฉยเสียเงินไปก็เฉยไม่ดีหรอ คำถามจากทาง y o u ูทูบนะคะจากคุณอู๋ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์อใบยมุกการเที่ยวกลางคืนคือการไปดูคอนเสิร์ตไปผับบาร์ด้วยหรือไม่คะนั่นแหละกลางคืนเย่างนั้นมันก็บอกแล้วกลางคืนทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเนี่ยอย่างน้อยก็เสียเงินเสียเวลาซุ้ยอยู่บ้านหลับพักผ่อนหลับนอนนั่งสมาธิดีกว่าไปดูหนังดูละคร ไปดื่มไปอะไรไปเสพประเวณี mm hmm. น, เ ท, น mm hmm. เที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางวันก็ไปท่องเที่ยวที่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ mm hmm. มันก็ไม่ได้ผลิตเงินทองมีแต่เสียให้เงินทอ ง, mm hmm. งหมดแล้ ว, ลวนะวหมดแล้วก็นั่งพักนั่งสมาธิไปสักพัก mm hmm. เดี๋ยวก็รอคําถาม mm hmm. ไม่ mm hmm. ต้องขระยับเรานั่งทานเหมือนเดิมนั่นแหละนั่ง นั่งสักแต่ว่ารู้ไปทําใจเย็นๆมาเรียนนั่งวิธีสมาธิกันต้องนานยังไม่เคยทําสมาธิกันนัง่งเลยตอนนี้ไม่มีอะไรฟังก็ฟังความเงียบไปก่อนก็แล้วกันเราก็เหนื่อยก็ไม่อยากจะพูดก็เลยลนั่งเฉยๆไปจนกว่าจะมีคำถามมีคำถามเข้ามาก็ถามได้เลยนะช่วงนี้ไม่มีก็นั่งรอไปก่อน เดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปกันจะไดะ้ช่วยส่งไมโครโฟนไปหน่อยพูดใกล้ใกล้ปากหน่อยจะได้ยินเสียงพูดใกล้ใปากเลยนะโยอมอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะว่าโยอมอยากขอคำแนะนำที่ว่าเวลายมเห็นสัตว์จะเป็นเป็นหมาเป็นแมว ที่อยู่ตามข้างทางหรือถูกทารุณกรรมโยมจะสงสารมากแต่จริงๆกับกับบุคคลที่เขาอาจได้รับความทุกข์ยากเนี่ยไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือว่ายากจนเน่ยโยมกับไม่มีความรู้สึกสงสารคนโยมกับไปสงสารสัตว์มากกว่านะ่ะโยมควรจะแก้ไขความคิดจุดนี้ยังไงดีเจ้าค่ะก็เหมือนกันไงมองแค่มันเหมือนกันสัตว์ก็มีใจ เหมือนกันทุกเหมือนกันคนก็มีใจก็ทุกเหมือนกันต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันแต่โยมไม่สงสารคนนะจกโยมไปสงสารสัตว์สมาก็เลยเเก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกันไงให้ดูว่ามันเหมือนกันว่าคนก็เป็นสัตว์ชนิดหนึง่งเพียงแต่เดินสองเท้าท่านนี้ใช้สี่เท้าเดินนอกนั้นมันก็เหมือนกันต้องกินเหมือนกันต้องหิวเหมือนกันต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะแต่เราไปชอบสัตว์แล้วไม่ชอบคนนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะเรามีประสบะการณ์ไม่ดีกับคนเรามีประสบะการณ์ที่ดีกับสัตว์เนี่ยเราก็เลยเกลียดคนไม่ไม่สงสารคนรักสัตว์สงสารสัตว์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่ประสบะการณ์ของแต่ละคนเคยมีประสบะการณ์ดีกับอะไรก็จะชอบสิ่งนั้น มีประสบะการณ์ไม่ดีมันก็จะไม่ชอบสิ่งนั้นคนสองคนอาจจะรักก็เกลียดสิ่งเดียวกันก็ได้คนหนึ่งรักไอ้คนหนึ่งเกลียดก็ได้แต่เราแก้ได้ด้วยปัญญาถ้าเรามองตามหลักของมนุษยธรรมว่าสัตว์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องการความเอ็นดูต้องการความเมตตาทั้งนั้นไม่มีใครไม่ต้องการความเมตตาเหตนั้นการให้ความเมตตาความสงสารมันก็มันก็จะทำให้ผู้อื่นเข า, เามีความสุขแล้วในขณะเดียวกันก็จะทำให้เรามีความสุขไปด้วยนัคิดอย่างนี้มีคำถามเข้ามายังยังไม่มีเลย มีเข้ามาหนึ่งคำถามค่ะจากคุณวิภาวีค่ะพระอาจารย์คะถ้าเราเห็นความโกรธความขัดเคืองในใจเราควรดูว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหรือเราควรดูมันอย่างไรคะถ้าเกิดมันไม่ดับจะทำไงถ้ามันก่อนจะดับมันอาจจะวันสองวันถ้าเราอยากให้มันดับปุ๊บเราก็ใช้สติหยุดมันเลยใช้พุโทโธพุโทโธไป อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธพอโกรธใครก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปห้านาทีสิบนาทีมันก็ลืมเรื่องเรื่องที่ทำให้เราโกรธนะความโกรธมันก็จะหายไปหรือถ้าจะร้อยมันหายเองมันก็แล้วแต่ถ้าเราจะไปคิดถึงให้คนที่ทำให้เราโกรธอยู่มันก็ยังไม่หายคำถามจากคุณสุวิพนันธ์ค่ะ ศีลอุโบสถหมายถึงอย่างไรคะก็ศีลแปดเนี่ยเพียงแต่ไปรักษาที่พระอุโบสถชาวบ้านเขาวันพระเขาจะไปนอนที่วัดกันไปรักษาศีลแปดที่วัดกันไปนอนในโบสถ์กันเพราะที่วัดไม่มีที่พักอาศัยให้กัสบสติก็เลยต้องไปอาศัยโบสถ์ เพราะที่โบดก็จะได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้นั่งสมาธิพอถึงเวลานอนก็ปิดไฟก็นอนกันในโบสถ์เลยพอตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์กันทำวัดเช้าก่อนจะกลับบ้านเขาก็เลยเรียกศีลแปดนี้เป็นศีลอุโบสถไปเท่านั้นเองแต่ก็เหมือนกันเป็นศีลแปดข้อเหมือนกันคำถามจากคุณกิติยาค่ะ การทำบุญตักบาทการทำสังฆทานบุญเท่ากันไหมคะเท่ากันอยู่ที่ปริมาณของการเสียสละของเราเสียสละเท่ากันจำนวนเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันเชื้อสังฆทานห้าร้อยใส่บาทห้าร้อยมันก็เท่ากันอยู่ที่ปริมาณของการเสียสละบุญเกิดจากปริมาณของการเสียสละเสียสละน้อยบุญก็น้อย คิงสละมากบุญก็มาก <c oughs> คำถามจากคุณพี่ทักค่ะตามคติตามคติทำคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนไว้ว่าหากปฏิบัติกับใจอย่างดีจนได้รู้ทำเห็นทำใจจึงเปรียบเสมือนเป็นแก้วสารพัดนึกหมายถึงใจจะคิดจะนึกถึงสิ่งได้ก็จะได้สิ่งนั้นดังที่คิดไว้หรือเปล่าครับ อ๋อไม่ใช่หรอกหมายความว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ที่จะให้ความสุขกับเราเนี่ยมันอยู่ในใจที่สงบแล้วไม่ต้องไปคิดไปนึกมันอยู่ในใจพร้อมไปหมดปลังมังสุขขั้งเนี่ย ทุกคนเราทุกวันนี้เราก็อยากจะได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้แลาก็คิด ا, ได้แฟนก็มีความสุขนะได้เงินก็มีความสุขนะได้ตำแหน่งก็มีความสุขนะเราไปคิดแบบนั้นเราคิดว่าความสุขเราอยู่ที่การได้เงินได้แฟนได้ตำแหน่งแต่ความจรงิงความสุขในใจของผู้ที่สงบเนี่ยมันเป็นความสุขที่มากกว่าความสุขที่จะได้จาก การได้แฟนได้เงินได้ตำแหน่งเข้าใจไหพูดอย่างนี้คงจะเข้าใจนะว่าถ้าใจสงบแล้วมันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเหมือนกับเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้และดีกว่าด้วยเพราะมันถาหวนสิ่งที่เราอยากได้กันนี่มันชั่วคราวได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวแฟนจากไปก็เสียใจได้ตำแหน่งมาพอพ้นตำแหน่งไปก็เสียใจ ได้เงินมาพอใช้เงินหมดก็เสียใจยงั้นสู้เอาความสงบดีกว่าเพราะมันจะไม่มีวันหมดมันจึงเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกเพราะมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้คือความสุขที่เกิดจากสิ่งที่เราอยากได้น่าดีกว่าหลายร้อยเท่าคำถามจากคุณพีโก้ค่ะ ต้องการจิตที่ไม่มีกิเลสแบบน้ำใสในแก้วที่ไม่มีสิ่งใดป น, น, นในเราก็รับดูอารมณ์รู้แล้วก็ปล่อยไปแค่นี้พอไหมครับไม่พอหรอกมันต้องไปกําจัดเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์ก็คือตัณหาความอยากกิเลสตัณหานี่ยความโลภความโกรธความหลงอวิชชาโมหะต้องใช้การภาวนา เป็นการกําจัดกรองเอาตัวที่เป็นเหตุทำให้ใจมีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาคำถามจากคุณพัทรกรค่ะได้โปรดขยายความคำว่าลดละเลิกด้วยค่ ะ, ะลดก็ลดอย่างจากน้อยก็จากมากก็มาหาน้อยอเคยสูบบุหรี่วันละซองก็ลดมาครึ่งซองออเคยด่าคน วันละสิบครั้งก็ลดหรือแค่ห้าครั้งก็ลดนะละก็เลิกละก็หยุดไงคำว่าละก็หยุดหยุดด่าคนเอหยุดโลภหยุดโกรธเนี่ยก็เรียกว่าละเลิกก็แปลว่าไม่ทําอีกต่อไปไม่โลภไม่โกรธไม่หลงกับใครต่อไปละต้องตอนต้นก็ต้องลดก่อนลดแล้วก็ละแล้วก็เลิกคําถามจากคุณนครค่ะ การเกิดเป็นทุกข์หมายความว่าอย่างไรครับการทําหมันในใชายหรือหญิงถือว่าเป็นการตัดการเกิดไหมครับตัดแต่ปลายเหตุแต่ไม่ตัดที่ต้นเหตุเพราะต้นเหตุคือการอยากมาเกิดยังมีอยูอ่ผู้ที่จะมาเกิดในท้องคนนี้เลยเกิดไม่ได้ก็เลยไปหาท้องใหม่แทนเท่านั้นเองความอยากจะเกิดคือตัณหาการมาตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหาไม่ได้ถูกกาจัดด้วยการทาหมัน ทำมันเพียงแต่ระ ง, งับไม่ให้มาเกิดในท้องคนนั้นเท่านั้นเองแต่ก็ไปหาท้องคนอื่นที่ไม่ได้ทำามันได้ยังไปเกิดใหม่ได้อยู่คำถามก่อนหนะ้าคือการเกิดเป็นทุกข์หมายความว่าอย่างไรครับอตอนนี้คุณสุขหรือคุณทุกข์อะ่ะคุณเกิดมาแล้วนี่คนมีความทุกข์มอ่าก็หมายความว่าอย่างนั้นนะถามตัวเองดอูคุณมีความทุกข์หรือเปล่าอ่ ถ้าคุณไม่เกิดคุณจะมีความทุกอย่างที่คุณมีอยู่หรือเปล่ามันก็เห็นชัดๆอยู่แค่นี้แต่คิดไม่เป็นเห็นมองไม่เป็นคำถามจากคุณมานาค่ะสมัยผมเรียนหนังสือเพื่อนผมเขาสูบบุหรี่แล้วเขาจุดไฟเผาป่าหลายร้อยไร่อาจทำให้สัตว์ล้มตายผมจะบาปไหมครับ กลายเป็นคนจุดไฟเลยเพื่อนค่ะอาเพื่อนนอกนอกคุณจะไปบาปทําไมน่ะไม่เข้าใจเข้ามาเพื่อนเขาสูบไปเลยจุดไฟแล้วเ้าไฟเผาป่าแล้วคุณไปรู้เห็นเฉยๆคุณก็ไม่บาปนลยน่าจะอยู่ในที่เกิดเหตุอก็อยู่ในที่เกิดเหตุแต่เราไม่มีส่วนในการไปจุดไฟมันก็ไม่มีไม่มีส่วนนอกจากเรายุเขาบอกเขาให้จุดหน่อยว่าช่วยหยุดกันหน่อยอย่างนี้เราก็บาป ออ่าาาสังงกกกก็็็็ททํํดดีีเบคําถามจากคุณอูดหลังวัดค่ะการนั่งให้ได้แล้วถึงพิจารณาดินน้ําลมไฟต้องถึงจุดไหนถึงค่อยพิจารณาครับกับผมก็พิจารณาตอนที่พิจารณาได้อสิตอนไหนก็ได้ท้าพิจารณาตอนนี้ได้ก็พิจารณาไปเลยถ้าพิจารณายังไม่ได้ก็ต้องทําสมาธิให้มากขึ้นไปก่อน คำถามจะคุณโมโม่ค่ะคนหนึ่งทำทานด้วยจิตปรารถนาเป็นเศรษฐีในภพชาติเบื้องหน้าอีกคนหนึ่งทำทานด้วยจิตปรารถนาสิ้นอาสวะกิเลสเลิกการเวียนว่ายตายเกิดด้วยจิตที่แตกต่างกันอย่างนี้จะมีผลแตกต่างกันไหมคะผลจากการทำทานไม่ต่ามกันเนอะเท่ากันได้บุญเหมือนกันได้บุญที่เกิดจากการเสียสละเท่ากัน แต่การจะไปต่อนี้อาจจะไม่เหมือนกันคนนึงก็จะไปเป็นเศรษฐีอีกคนหนึ่งก็จะไปนิพพานออันนี้ก็จะไม่เหมือนกันแต่บุญคือความสุขใจอิ่มใจที่จะพาให้เขาไปสวรรค์ก่อนจะไปนิพพานนี้มันไม่เหมือนกันคนที่ทําบุญเพื่อเป็นเศรษฐีพอกลับมาก็ได้เป็นเศรษฐีก็ยินดีกับความเป็นเศรษฐีนั้นแต่คนที่ทําบุญเพื่อนิพพานพอกลับมาเกิดเป็นเศรษฐีก็ยังไม่ยินดี ยังต้องการไปนิพพานก็ต้องไปไปรักษาศีลแปดไปบวชไปปฏิบัติต่อถึงจะไปนิพพานได้ซื้อตั๋วไปกรุงเทพสองใบแต่คนนึงอยากจะไปโตเกียวมันก็ไปไม่ถึงโตเกียวเพราะซื้อตั๋วแค่แค่ฮ่องกงสมมติว่าเราจะไปโตเกียวเราอยากไปโตเกียวอีกคนหนึ่งอยากจะไปฮ่องกงแล้วสองคนซื้อตั๋วไปฮ่องกงเท่ากันมันก็ไปได้แค่ฮ่องกง่ะ คนจะไปโตเกียวก็ต้องไปซื้อตั๋วต่อจากฮ่องกงที่ฮ่องกงไปโตเกียวถึงจะไปถึงโตเกียวได้คนทำทานก็ไปได้แค่สวรรค์กลับมาเกิดก็เป็นมนุษย์เป็นเจตถีถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องไปรักษาศีลแปดไปบวชไปภาวนาต่อถึงจะไปนิพพานได้คำถามจากทางยูทูบนะคะจากคุณมิเชลค่ะ หนูมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับเพื่อนจนอยากหนีไม่เข้าสังคมหนูควรวางใจอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ดีเลยไปอยู่คนเดียวไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบอยู่กับเพื่อนอยู่กับพวกวุ่นวายมีแต่เรื่องแต่แลาวสมัยนี้มีการมีการขมเหงรังแกกันคอยยุยงคอยด่าคอยว่าทำให้คนใจไม่ดีใจไม่สบาย บางคนถึงก็ต้องฆ่าตัวตายเพราะถูกเพื่อนฝูงกดดันทีนี้เด็กเก้าขวบได้ยินข่าวว่าตายฆ่าตัวตายเพราะตัวเองไปสารภาพว่าเป็นเกย์เพื่อนก็เลยมึงเป็นเกย์มึงไปฆ่าตัวตายเถอะมึงมาอยู่ไปทาไมเด็กมันถูกเพื่อนฝูงกดดันมันก็เลยไปฆ่าตัวตายตั้งแต่อายุเก้าขวบนะงั้นถ้ามีเพื่อนฝูงไม่ดีก็อยู่คนเดียวดีกว่า พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราหาคนที่ดีกว่าเราแลอดีเท่าเราคบเป็นเพื่อนไม่ได้ก็ไปอยู่คนเดียวดีกว่าอย่าไปอยู่กับคนที่เขาเลวกว่าเราคนคนที่เขาเลวเท่าเราไม่เกิดประโยชน์อยู่กับคนที่เขาดีกว่าเราหรือดีเท่าเราเพราะเขาจะช่วยเราได้ช่วยให้เราเป็นคนดีขึ้นไปกว่าเก่าได้ถ้าคบกับคนที่ดีกว่าเรา ท่านถึงสอนให้เขาประพุทธประธรรมประสงเลยคำถามจากคุณอัตหิอัตโนนาโถค่ะทุกวันนี้นั่งสมาธิและภาวนาในระหว่างวันมีเหตุมากกระทบใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็พิจารณาในเหตุเห็นใจเป็นทุกข์ก็หาเหตุแห่งทุกข์นั้นจนจิตยอมรับเข้าใจและวางลงในทุกๆปัญหาที่เข้ามา แบบนี้ทำถูกต้องหมเจ้าคะทำให้ทุกข์ก็ถูกต้องนะยังไม่มีคำถามเพิ่มค่ะอ่าถามไปเลยยังไม่มีคำถามอ๋อยังไม่มีออการปฏิบัติทั้งหมดนี้เพื่อดับความทุกข์ถ้าเราไม่สบายใจแล้วเราค้นหาสาเหตุของความไม่สบายใจได้แล้วละเหตุนั้นได้ความไม่สบายใจก็หายไปเช่นไม่สบายกับ สามีสามีชอบแอบไปมีห น, นูคิดถึงสามีทีไรก็ไม่สบายใจทุกทีคือคนหาสายว่าเราไม่สบายใจเพราะเขาหรือเพราะเรากันแนะอมันเพราะเราไม่ใช่เลยเพราะเราอยากให้เขาไม่ไม่ไปหาหนูใช่ไหมเราอยากจะให้เขาเป็นของเราเพียงคนเดียวอพอเขาไม่เป็นเราก็เลยไม่สบายใจเราก็เปลี่ยนใจว่าต่อไปนี้เขาไม่ได้เป็นของเราคนเดียวแล้ว เขาอยากจะไปมีหนูเกศคนก็เรื่องของเขาเออถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสบายใจเอปัญหาอยู่ที่ใจของเราที่ไปอยากกับเขาต่างหากทําไมคนอื่นทํามีหนูเป็นร้อยทําไมเราไม่ไปโกรธเขาไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สบายใจกับเขาเพราะเราไม่ได้ไปถือว่าเขาเป็นของเราเพียงคนเดียวคนอื่นก็จะมีมีน้อยีิคนเราก็ไม่เดือดร้อนเ แต่พอคนนี้มันเป็นพอเขาไปมีเมียน้อยขึ้นมาก็เดือดร้อนขึ้นมาทันทีเพราะเราไปอยากให้เขาไม่ไปมีเมียน้อยเท่านั้นเองถ้าเราอยากจะสบายใจก็ถือว่าเขามีสิทธิเขาอยากจะมีเมียน้อยทีคนก็ช่างเขาเปไปเลยมีคําถามจากคุณมลีค่ะถามว่าวิธีเอาชนะใจตัวเองจะทําอย่างไรคะก็ใช้สติใช้ปัญญาสองตัวนี้ เวลาโกรธก็ถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธเดี๋ยวพอเราไม่คิดเราก็ลืมพอลืมความโกรธก็จะหายไปแต่จะหายชั่วคราวพอเราหยุดสติเราไปคิดมเมื่อไหร่นี่ดิงมันกัดกันมันแย่งกันขนาดอยู่ในป่ามันยังมีของแย่งกันเลย แย่งตัวเมียกันบ้างแย่งตัวผู้กันบ้างอย่างมันไม่มีสติที่จะยับยั้งความอยากพออยากแล้วพอตัวไหนมาขัดใจมันมันก็เลยกัดกันนะนะใช้สติก่อนถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติก่อนพอโกรธก็พูดโทพูดโทเดี๋ยวก็หายโกรธ พอไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธความโกรธก็หายไปถ้าใช้ปัญญาได้ก็พิจารณาว่าเรื่องที่ทำให้เราโกรธเราไปห้ามเขาได้อเปล่าพระพุทธเจ้าบอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศนะเราไปสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้ชั้นใดเราก็ไปสั่งคนที่ทำให้เราโกรธไม่ได้เขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปแล้วเราก็จะไม่โกรธเราไม่โกรธดินฟ้าอากาศใช่ไหม ฝนตกทําให้เราเปียกทั้งตัวเราก็ไม่โกรธฝนแต่ถ้าใครเอาน้ามาสาดใส่เราทำให้เราไปโกรธเขาเพราะเราไปมองเขาว่ามเขาไม่ได้เป็นดินฟ้าอากาศพระเจ้าบอกให้มองว่าทุกอย่างเป็นดินฟ้าอากาศเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตา ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในในสิ่งต่างๆที่เราเห็นร่างกายที่เราเห็นสาดน้ําใส่เรามันก็ไม่มีตัวตนมันก็เป็นธรรมชาติทำมาจากดินน้ำํำลมไฟดีๆเนี่ยใจของเขาก็เป็นธรรมชาติที่เขาควบคุมเองไม่ได้เขาอยากจะสา์น้ําเขาก็สาดใส่เราเอย่างนี้อย่างนันเราถ้าเรามองทุกอย่างว่าเป็นดินฟ้าอากาศเราก็จะไม่โกรธใครหมดแล้วนะ เอยังไม่เข้ามานะ <Okay. S 2> อเนี่ยอนัตตากาอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ธรรมชาติเป็นแต่ธรรมชาติเพียงแต่เราไปเห็นว่ามันไม่ได้เป็นธรรมชาติเห็นว่าเป็นเขาเป็นเราขึ้นมาความคิดก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งความรู้สึกนึกคิดก็เป็นธรรมชาติ ที่เราก็ควบคุมไม่ได้บางทีมันอยากจะคิดมันก็คิดอยู่นั่นะบางทีมันจะอ่ามันอยากจะทําอะไรก็ควบคุมไม่ได้ถ้าเราไม่เคยควบคุมะแต่อย่างน้อยเรื่องความรู้สึกนักคิดนี้มีคนฉลาดมีคนพบวิธีควบคุมมันได้เราควบคุมใจเราได้ได้อย่างอื่นเราควบคุมไม่ได้เห็นมาควบคุมใจเราดีกว่า ควบคุมใจเราได้แล้วเราจะสบายเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆยังไม่เข้ามานะหลายข้าวนาทีถ้ายังไม่มีเข้ามาก็คิดว่าจะปิดประช ม, มหมดวาระแล้ววาระจอดไม่มี